สมมุติห้ฟังพอดีไปเจอเอาน้ำหรือไปเห็นน้าหรือไปพบออกกับน้ำมันเย็นแต่ น, า น, น้ามันใสไม่ได้เราต้องขุดลงไปให้มันลึกแล้วก็มีขันหรือมีอะไรตักตมตักเลนตั ก, ตกดินออกจากบ่อน้นไปตักออกตักออกหรือวิทออกวิทออกเนะ่ะทางตมทางน้ำเอาออกทั้งหมดเลยบัด น, นี้น้ำข้างในมันจะไหลออกมา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 จะเลินมั่นคงต่อไปถ้าหากเรารู้ทุกคนมาทีน่นี่แล้วก็ต้องมีสมาธิให้เขารู้เหมือนเราถ้าหากคนใดรู้มากขึ้นไป แ, แบบนี้ก็ต้องรู้ปรามัิต้องแนะนำเรื่องปรามัิให้มีคนรู้เห็นรู้ตามเห็นตามอย่างที่เราพูดให้ฟังว่าพุทธานุพุทธังสามารถศีลาทิถิงเนี่ยผู้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าเลยมีศีลทิติเสมอกันกัน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 ทำมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ไม่สอนเมื่อมารู้แล้วหลวงพอ่อสอนเลยมันเป็นสมมุติแต่ไม่จริงนี่เราจะว่าทําดีไว้ให้ลูกทาทุกไว้ให้หลานอันนี้เราพูดแต่ไม่ทําดังนั้นพี่พวกเรามาจะเลยวิปัสสนาภาวานานในครั้งนี้ก็ต้องจดจําไปไว้แล้วก็เพื่อลูกเพื่อหลานเราเพื่อพี่เพื่อน้องเราแนะนําให้รู้จักจริงๆ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 บอกแล้บอกอีกเราไม่เข้าใจตอนนี้มันก็เลยไม่รู้ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจนได้ประสบภเห็นเอาอเรื่องจิตใจสะอาดจิจจจจจดจจตใ จ, จสจจว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในทีวิตนี้